ลำดับขั้นตอนในการเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนข้อ3รับกรรมฐานที่เหมาะกับจริยาในข้อนี้พึงเข้าใจความหมายของจริยาและกรรมฐานพอเป็นเขาดังนี้ความหมายของกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการทำงานของจิตหรือที่ให้จิตทำงานมีความหมายเป็นทางการว่าสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา หรืออุปกรณ์ในการฝึกอบรมจิตหรืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนำสมาธิพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เอามาให้จิตกําหนดด้วยสติจิตจะได้มีงานทําเป็นเรื่องเป็นราวสงบอยู่ที่ได้ไม่เที่ยววิ่งเล่นตเตลิดหรือเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปอย่างไร้จุดหมายพูดสั้นๆกรรมาฐานคือสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ของจิตที่จะชักนาให้เกิดสมาธิหรืออะไรก็ได้ ที่พอจิตเพ่งหรือจับแล้วจะช่วยให้จิตแน่วแน่อยู่กับมันเป็นสมาธิได้เร็วและมั่นคงที่สุดพูดให้สั้นที่สุดว่าสิ่งที่ใช้ฝึกสมาธิเท่าที่พระอัตฐกถาจารย์รวบรวมแสดงไว้มีกรรมฐาน40อย่างคือกสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบอปมัญญาสี่อาหารเรยปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตุววัฏฐานหนึ่งและ อรูปสี่อธิบายพอสังเขตได้ดังนี้ชุดก่อกรสินสิบแปลกันว่าวัตถุอันจูงใจหรือวัตถุสําหรับเพ่งเพื่อจูงจิตให้เป็นสมาธิเป็นวิธีใช้วัตถุภายนอกเข้าช่วยโดยวิธีเพ่งเพื่อรวมจิตให้เป็นหนึ่งมีสิบอย่างคือกอกอภูตากะสินกสินคือมหาภูตารูปสี่คือปฐวีดิน อาโปน้ำเตโชไฟและวาโยลมข้อข อ, ขอวันนักศินก์ิน์นคือสีสี่คือนีละเขียวปีตะเหลืองโลหิตะแดงและโอทาตะขาวข้อขอศิน์อื่นๆคืออาโลกะแสงสว่างและป ร, ะริชินนากาศะเรียกสั้นว่าอากาศะ หรืออากาศคือช่องว่างกระสินสิบนี้จะใช้ของที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็ได้ตกแต่งจัดทำขึ้นให้เหมาะกับการใช้เพ่งโดยเฉพาะก็ได้แต่โดยมากนิยมวิธีหลังกรรมฐาน40ชุดขออสุภสิบได้แก่พิจารณาทรากศพในระยะต่างๆกันรวมสิบระยะเริ่มแต่ศพที่ขึ้นอืดไปจนถึงศพที่เหลือแต่โครงกระดูก กรรมฐาน40บชุดคออนุสติสิบคืออารมณ์ดีงามที่ควรระลึกถึงหนึ่งเนืองได้แก่ 1. พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพิจารณาคุณของพระองค์ 2. ธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมและพิจารณาคุณของพระธรรม 3. สังขานุสติระลึกถึงพระสงฆ์และพิจารณาคุณของพระสงฆ์ 4. ศีลานุสติระลึกถึงศีลพิจารณาศีลของตนที่ได้ประพฤติบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อย 5. จารานุสติระลึกถึงจาคะทานที่ตนได้บริจาคแล้วได้พิจารณาเห็นคุณธรรมคือความเผื่อแผ่เสียสละที่มีในตน 6. เทวตานุสติระลึกถึงเทวดา หมายถึงเทวดาที่ตนเคยได้รู้ได้ยินมาและพิจารณาเห็นคุณธรรมซึ่งทำคนให้เป็นเทวดาตามที่มีอยู่ในตนเจ็ 7. มรณะสติระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดาพิจารณาให้เกิดความไม่ประมาทแปกายคตาสติสติอันไปในกายหรือระลึกถึงเกี่ยวกับร่างกายคือกำหนดพิจารณากายนี้ ให้เห็นว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆคืออาการ32อันไม่สะอาดไม่งามน่าเกลียดเป็นทางรู้เท่าทันสภาวะของกายนี้มิให้หลงไหลมัวเมา 9. อาณาปานสติสติกำนดลมหายใจเข้าออก 10. อุปสมานุสติระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบคือนิพพานและพิจารณาคุณของนิพพาน อันเป็นที่หายร้อนดับกิเลสและไร้ทุกข์กรรมฐาน40บชุดงออปมัญญาสี่คือธรรมที่พึงแผ่ออกไปในมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอย่างมีจิตใจสม่ำเสมอทั่วกันไม่มีประมาณไม่จำกัดขอบเขตโดยมากเรียกกันว่าพรมวิหารสี่พรมวิหารสี่คือธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ทรประจำใจที่ประเสริฐบริสุทธิ์หรือคุณธรรมประจำใจของท่านผู้มีจิตกว้างขวางยิ่งใหญ่4ประการคือ 1. ่เมตตาความรักคือความปรารถนาดีอยากให้มนุษย์สัตว์มีสุขทั่วหน้า 2. การุณาความสงสารคืออยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ 3. มมุทิตา ความพลอยยินดีคือพลอยมีใจเช่มชื่นเบิกบานเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขแล ะ, จะเจริญงอกงามประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป 4. อุเบกขาความมีใจเป็นกลางคือวางจิตเรียบสงบสม่ำเสมอเที่ยงตรงดุจตาช่างมองเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายแต่รับผลดีร้ายตามเหตุปัจจัยที่ประกอบไม่เอ็นเอียงไปด้วยชอบหรือชัง กรรมฐาน40ข้อจออาหารเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารกรรมฐาน40ข้อฉจะตุธาตุว่าวัฏฐานกำหนดพิจารณาธาตุสี่คือพิจารณาเห็นร่างกายของตนโดยสักว่าเป็นธาตุสี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างบางทีเรียกสั้นๆว่าธาตุว่าวัฏฐานบ้างธาตุมณสิการบ้างธาตุกรรมฐานบ้าง หรือาธาตกรรมฐานบ้างกรรมฐาน40ชุดสุดท้ายข้อช อ, อรูปหรืออารุปะหรืออารุปปาปปสีได้แก่กําหนดภาวะอารุปธรรมเป็นอารมณ์ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เพ่งกสินเก้าอย่างแรกคือภูตะกรสินสีวันนักกสินสีและอาโลกะกะสินข้อใดข้อหนึ่งจนได้จะตุตจานมาแล้วอารูปสี่เหล่านี้คือ 1. อากาศานัญจาตนะกำหนดช่องว่างหาที่สุดมิได้ซึ่งเกิดจากการเพิ่กสินออกไปเป็นอารมณ์ 2. วิญญาณัญจาตนะกำหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้คือเลิกกำหนดที่ว่างเลยไปกำหนดวิญญาณที่แผ่ไปสู่ที่ว่างแทนเป็นอารมณ์ 3. อากินจัญญาญาตนะเลิกกำหนดวิญญาณเป็นอารมณ์ เลยไปกำหนดภาวะไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์4เนวะสัญญานาสัญญาญาตนะเลิกกำหนดแม้แต่ภาวะไม่มีอะไรเลยเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เฉพาะเนวะสัญญานาสัญญาญาตนะวิสุทธิมักว่ากำหนดอากินจัญญาญาตนะนั่นเองเป็นอารมณ์แต่กำหนดไม่ใช่เพื่อเข้าแต่เพื่อผ่านเลย กรรมฐานทั้งหมด40ิอย่างนี้บางทีท่านจัดรวมเป็นสองประเภทคือ 1. สัพพตกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานที่ใช้ประโยชน์ได้หรือควรต้องใช้ทุกที่ทุกกรณีคือทุกคนควรเจริญอยู่เสมอได้แก่เมตตาและมรณสติบางท่านจัดอสุภสัญญาเข้าด้วย 2. ปาริหาริยกรรมฐานแปลว่า กรรมฐานที่ต้องบริหารหมายถึงกรรมฐานที่เหมาะกับจริยาของแต่ละบุคคลซึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วจะต้องคอยเอาใจใส่รักษาอยู่ตลอดเวลาให้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติที่สูงยิ่งขึ้นไปกรรมฐาน40อย่างนั้นท่านแนะนําว่าแตกต่างกันโดยความเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะนิสัยความโน้มเอียงของแต่ละบุคคล ที่เรียกว่าจริยาต่างๆถ้าเลือกได้ถูกกันเหมาะกันก็ปฏิบัติได้ผลดีและรวดเร็วถ้าเลือกผิดอาจทำให้ปฏิบัติได้ล่าช้าหรือไม่สำเร็จผล